บุ๊กทูสามทรีการทำความรู้จักคอนาทีจิสวัสดีค่ะสลูตนันสวัสดีค่ะบอนันทากอน สบายดีไหมคะพี่แอลวีคุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะชูวีเวนัสเอลเอโรโปคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะชูวีเวนัสเอลอเมริคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะชูวีเวนัสเอลอา คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะ En i Hotelo v i r e s t a s คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ De i a m Vistas c i t i e คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ r i s i a m Virestas. คุณชอบที่นี่ไหมคะ c h u p l a c s al v i c i e คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะชูวิเฟรียสชิติเอมาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะเนเฮซิตูวิซิติมินนี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะเยนเมียอดเดรสโซเราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะชูนิวิดูนินมอร์กา ขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างมเบ ด, า ว, ดาวัสมยัมาัสออนลานตันลาก่อนค่ะลาก่อนค่ะลิสรอนค่ะแล้วพบกันนะคะาลากรอน